เพรความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่ปุตติญาณกําลังนําเสนอเรื่องสัมมาวจาซึ่งตามปกติแล้วก็ทรงจะาแนกแสดงไว้เพี่ยงสี่ประเภทนะฮะคือเรื่องของการงดเว้นจากการพูดเท็งเจงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเฟอร์เจอร์เหลวไหลงดเว้นจากการ เงดเว้นในการพูดคำหยาบนะง่อเว้นการพูดฟิอเจอเื่อยๆแต่ว่าเป็นปริยายที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนในที่นี้จึงนำเสนอท่านผู้ฟังตามระยะแห่งพระพุทธศาสนสุภาษิตคือส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าจะรับสั่งสแสดงไว้ในโอกาสต่างๆซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็คลุมพระจีสุจริตไว้ทั้งหมด เพราะในแง่ของความเป็นจริงถ้าเราลองสังเกตดูนะฮะเวลาทรงบัญญัติีินห้าสีนแปดสินสิบนะสีนห้าสินแปดสิสิบเนี่ยเราสรงบัญญัติแค่มุสาวาทไม่ได้กระจายออกไปมากแต่ถ้าถามมุสาวาทก็คือพูดเคลื่อนคราดจากความจริงตามที่เราได้เห็นตามที่เราได้ยินตามที่เราได้ทราบตามที่เราได้รู้มา ถ้าเรามองดูว่าการยุยงให้เกิดความแตกแยกจริงคือเท็จอย่างเท็จวิธีหนึ่งอ่มันต้องใส่สีที่ข่กันเยอะนะจึงจึงคนยังเกิดความแตกแยกได้คำหยาบคำด่าทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันก็เท็จมาตั้งแต่ต้นด่าเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีด่าถึงพ่อถึงแม่กันนะ่มันก็เท็จทีนี้คำค่อยเจ้าวิงเท็จใหญ่เลยเพราะจริงๆมันเท็จหรือทั้งหมดเนี่ยคือคําเท็จ เพราะไม่ไม่เป็นจริงตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาแต่ว่าเวลาทรงแสดงในรูปของธรรมะในรูปของเรียกกุศลกรรมบดหรืออกุศลกรรมบดเนี่ยนะคือเรื่องที่ควรเว้นกับวรประพฤตินี่ก็ทรงกระจายวัจีสุจริตออกไปเป็นสี่เป็นการงดเว้นจากการพูดเทศพูดสอเสียพูดคำหยาพูดเลวหล ตัววาจาเหล่านั้นเนี่ยเวลานําไปแสดงในที่อื่นก็ไม่จําเป็นจะต้องแสดงอย่างนั้นแต่เมื่อใครประพฤติปฏิบัติตามทั้งข้อหนึ่งตามที่ทรงแสดงไว้ก็ชื่อว่าเว้นวิจิตุจริตได้ครบทั้งสีประการในที่หนึ่งได้ทรงแสดงว่าไม่ควรพูดจนเกินการไม่ควรนิ่งเสมอไปเมื่อถึงเวลาก็ควรกล่าววาจาที่ไม่ฟันเฟือ พอกหนดได้อันนี้เป็นการพูดในกรณีที่จะสื่อสารปราทกถาบรรยายอภิปรายอบรมอะไรชี้แนะอะไรแต่ อ, อะไรต่างๆมันก็ต้องดูว่าอย่าพูดมากเกินไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะนิ่งเสมอไปมันก็ดูการละเทสะนะดูการละเทสะว่าจะนี่ควรจะพูดไหมบางครัง้งบางคราว บุคคลมันให้แต่เวลาสถานที่ไม่ให้เราก็ไม่ใช่ไม่พูดหรอกแต่ว่าจะพูดในโอกาสอื่นในสถานที่อื่นเท่านั้นเองเรื่องมาเรื่องมันพูดต่อหน้าไม่ได้หรือบางทีเรื่องมนเรื่องมาต่อหน้าคนอื่นเนี่ยพูดไม่ได้แต่ถ้ามีเรื่องเป็นนันมากที่ปิดประตูคุยกันสองคนเนี่ย สามารถที่จะพูดเรื่องหนักๆเรื่องแรงๆได้แต่ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจากความประพฤติการปฏิบัติตนของคนบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเรืนี้มีปัญหาแต จ, จะไปดูด่าก็ต่อหน้าเนี่ยมันไม่ได้หรอกเราก็เรียกเขามาคุยสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็คุยกันอธิบายชี้แจงชี้หน้าเหตุผลให้แล้วก็ให้เขาตัดสินใจเอาเอง เราก็ให้ข้อมูลในด้านการตัดสินใจแก่เขาเพราะในกรณีนี้ผนสังเกตว่าเวลานี้มันมีปัญหาที่เราน่าจะต้องประสานคือมันก็ออกแรงเกินไปก็มีคนโทรมาเล่าให้ฟังว่ามหาเถรสมาคมออกคำสั่งไปเรื่องพระออกวิทยุแล้วก็เรียไรยไอ้คำว่าเรียไรยเนี่ยมัน มันครอบจักรวาลมากไปหน่อยนะะเพราะจริงๆถ้าทํางานด้านนี้แล้วก็ไม่มีเงินทำเนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะอย่างรายการที่อาตมาทำํำมานี้ที่จริงจ่ายเป็นแสนแล้วนะแสนกว่าเกือบ ส, สองเกือบสองแสนแล้วแล้ววันนี้มาก็มีกองทุนไรรัตนานุภาพบ้างอยากโยมช่วยบ้างนะเราก็ประคับประคองไปได้เราก็ไม่ถึงก็บอกปุลใครท่านที่เคย ฟังรายการใต้รม่มมาปุถียานมาใจว่ามาไม่เคยบอกบุญอะไรใครแต่ถามเรามีรายจ่ายไหมเราก็มีรายจ่ายก็อย่างพูดชิดมพนสองอัญสาวนดณชิตนี่ก็จ่ายอันนี้ก็จ่ายนะทีนี้ก็จ่ายรายการใต้รม่มปุถียา น, นีก็จ่ายบางบางแห่งคนก็ทางสถานีเขาก็นิมนต์ไปเขาก็ถวายเวลาให้เราก็ไม่ว่าอะไร แต่จริงทั้งหมดเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการใช้คําเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้ห้ามเรือะไรอย่างนี้เกินไปนะะคือแสดงว่าไม่เคยทํางานแต่ว่าถ้าเรื่ออะไรเพริ่มเพื่อก็เกินไปเหมือนกันมันก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรไม่พูดโยมหน้าโยมหนาแล้วก็เรื่ออะไรกันอยู่เรื่อยเนี่ยคือจุดกลางนี่มันต้องมีจุดพอ ด, ดีเนี่ยมันต้องมีถ้าสั่งปฏิเสธไปเลยก็ถือว่าไม่พอดีแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรไปเรื่อยก็ถือว่าเกินดีไป จุดที่จะพบกันครึ่งทางเนี่ยมันต้องมีถ้าได้งานมันจะทำไม่ได้เวลาการทำงานดังรายการดังวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยแต่ละอย่างจ่ายแต่นั้นรายการที่มารับผิดชอบทางโทรทัศน์ช่องเก้าเนี่ยนะฮะที่จริงสถานีก็ไม่คิดตา่างก็ให้เวลาสามสิบางทีให้มาหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วห้าหกปีและะ้วมั้งแต่ว่าเราต้องจ่ายนะเราต้องจัดทำรายการตอนหนึ่งก็หมื0นหกพันเป็นอย่างน้อย ้าจัดการกาเรเดินการตอนนี้เราก็บอกกราห ย, ดดยาดโยมอ่ะเราก็สู้ไม่ไหวแล้วไม่จะหาเงินที่ไหนหยาดโยมก็ช่วยกันมาก็ทยอยช่วยกันมาก็พอเลี้ยงตัวกันเองได้อันนี้ก็คือคือเราเรามองว่าคําสั่งก็แรงเกินไปคือขาดความพอดีแต่ว่าบางรายการท่านก็เรียกอะไรเกินไปนะฮะเรียกอะไรจะ ไ, ไปเจอไปเจอเลยก็ต้องบรรยัตบรรยัตังต้องควบคุมไว้บ้าง วาจาเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกินไปนะอะไรเกินไปหรือว่าสั่งเกินไปนั่นก็ผิดตค่คู่นะแต่ว่านิ่งเสมอไปมันก็ไม่ได้จะมีเรื่องขำนะพระเจ้าอาโสมหมาราชเนี่ยท่านไปไหว้เจดีย์ที่บรรจุอธิธาตของพระหันทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีพระนำเชี่ยวท่านบอกว่าพระอุปคุตเป็นคนนำไป ไปถึงเจดีย์แห่งหนึ่งของพระานาลากะเป็นหลานของท่านาานสิทธาบดธท่านาลากะนี่ที่จริงก็บวชอยู่ได้แค่เจ็ดเดือนนั่นเองนะฮะก็นิพพานท่านบ ำ, เ, บำเพ็ญเขาเรียกว่างนระยะปฏิปทาคือนิ่งไม่พูดพระเจ้าโสกได้รับการพรรณาคือถือองค์เดียวและบำเพ็ญอย่างอุปตินะฮะอุปต หมาความว่าพวกที่บำเพ็ญไม่พูดเลยตลอดเจ็ดปีเนี่ไม่ใช่เจ็ดเจ็ดเดือนนี่ถือว่าอกุศลมากแต่พระเจ้าอโศกท่านมองเห็นว่าพระเนี่ยถ้าไม่เทศสั่งสอนประชาชนเนี่ยมันก็ไม่น่านับถือวันท่านมาบูชานิดเดียวพอถึงภาษาริบุตรพระโมกคลานะโอบูชาเป็นการใหญ่เลยทําประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนมากมายเหลืเกิน อันนี้ก็คืออะไรก็คือว่นิ่งไปเลยมันก็เกิดไปนะะแต่ว่าเป็นเป็นเขาบอกว่ า, าศาสนาแต่ละาศาสนานี่จะมีพระปฏิบัติอย่างนี้หนึ่งหนึ่งองค์เป็นอ๋ไรละ่ะเป็นพุทธประเพณีนะฮะเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาว่ามีพระอริยะเจ้าเนี่ยระดับพระอรหันต์ท่านจะบำเพ็ญมูลนยปฏิปทาอยู่หนึ่งองค์ทีนี้ประเด็นสำคัญว่าเราก็ดูการละเทศะ อย่างที่บอกเรื่องการละเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่การละเทศบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเวลากับสถานที่นั้นแน่นอนก็ก็ติดกันอยู่แต่ว่าบุคคลนะคนเนี้ถ้าพูดอีกที่หนึ่งในเวลาหนึง่งหรือเวลาหนึง่งในที่ตรงนั้นก็ได้แต่อีกเวลาหนึง่งมันก็พูดได้แต่ว่าบางเวลายังพูดไม่ได้คือต้องรอให้ใจเย็นกันก่อนมาดึง ถึงว่าอย่างไทยกับพม่าที่ท่านนายกจะไปกันท่านรองนายกสวุวรริตจะไปเนี่ยยังบอกว่าที่จริงเราไปเนี่ยนะฮะอย่าไปตั้งใจไปอย่าตั้งใจไปคุยเรื่องการบ้านการเมืองรออเรื่องข้อพีผ้าเรื่องข้อกัดแย้งอะไรเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยอย่าไปตั้งใจเราวันหนึงใช้เวลาไปไหว้พระเนี่ย ไปไหว้พระเจ ด, ดีย์ที่เคารพนับถือพระพุทธรูปที่เคารพนับถือพระเทระที่เคารพนับถือแล้วก็คุยอะไรคุยเรื่องศาสน า, ศาคุยเรื่องธรรมโธธรรมะกันไปเนีนย่ยนะอย่าไปพูดเรื่องการเมืองก่อนสร้างบรรยากาศไปก่อนแล้วเวลาคุยก็คุยคุยในฐะานะอุบาสกสองคนมานั่งคุยข้างหน้าหลวงพ่ออกเดง หลวงพ่อที่ท่านนายกกัปตรีของพม่าเขา ก, ขกร็รถนักถือก็มานั่งคุยกันต่อหน้าจะประรับกันเป็นการประรัที่ไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบคือมาช่วยเหลือกันบรรยากาศของชาวพุทธมานั่งคุยกันต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระพุทธ ร, รูปไม่มีพิธีรีตองไม่มีรูปแบบโดยมันจะง่ายนะฮะมันจะง่ายกว่าที่จะไปเป็นพิธีรีตองอย่างนั้น คือมันต้องเล่นให้เป็นบ้างนะอย่าไปเล่นเอาพิธีรีตองมาตลอดเรื่องบางเรื่องนี่ยมันต้องมีความหลากหลายในเชิงรูปแบบแต่คงเนื้อหาเอาไว้ที่จริงประเทศก็้เคียงเราพวกลาวก็ดีคเอมก็ดีแม้แต่เวียดนามก็ดีก็เป็นพูดด้วยกันเนี่ยนะคือศาสนานำหน้า จ, จะบ้าง ทันที่จะไปถึงเป็นพิธีตองไปไหว้พระไปอะไรแต่อะที่เขานับถือนะฮเราก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับเขาวัดไหนที่เขานับถือหลาพระองค์ไหนเจดียองคไหนที่เขานับถือห่าพระเทพรูปใดที่เขาก็รันับถือเราก็ไปไหว้ด้วกันทีนคนเราในศาสนาเดียวกันนับถือพระสมองค์เดียวกันแล้วก็ไหว้เจดีย์องค์เดียวกันอะไรแต่ไรเนี่ยพุทธโรบองค์เดียวกันมันก็รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน พอพูดเดยกันมันก็เกิดปฏิปนอมนกเกิดประสานประโยชน์ไม่มุ่งที่จะเอารัดอาเปรียบไม่มุ่งที่จะชิงไหวชิงพริบอะไรกันเนี่ยนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าเราลืมประเด็นตรงนี้ถวดมากแล้วก็ใช้เป็นเจ้าคุน ม, มูลนายนะเดินเป็นพิธีรีตองที่จริงเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยนะบางทีก็นั่งกินข้าวคุยกันไปเร่ น, นี้ที่เขาไปตีกอติเกลเปี่ยนจริงก็ไม่มีอะไรหรอกฮะ คือถ้าไปใช้บรรยากาศของความเป็นเป็นศาสนิกในศาสนาศาสนาไหนก็ได้นะฮะก็ใช้คุยกันมันจะรู้สึกเข้าถึงแล้วก็มีความเคารพอย่างเกรงพอไปพูดต่อหน้าพระนะฮะพ่อหน้าพระสงฆ์พูุทธนาพระพระพร ะ, พระพุทธรูปพต่อหน้าเจดีย์ไนหะว้พระแล้วก็คุยกันบางทีก็ไปคุยกัเรื่องหนึ่งสองเรื่องอะไรอะไรเนี่ก็เรียกว่า อย่าให้เกิดความสับสนท่านเรียกว่าอย่าเกิดการฟั่นเฟือยื่อสับสนไอ้วิกินจะนัง่งคือคือเอาเรื่องอราวไม่ได้คือ ต, อต้องปกติเวลาการพูดจาเรื่องอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามีหัวข้อเขาจะอุทเทศนิเทศปฏินิเท ศ, เทศมันมีหัวข้อแล้วก็ขยายความแล้วก็สรุปประเด็น อาจจะยาวหรืออาจจะสั้นก็แล้วแต่แนวพุทธศาสนาสุภาษิตยกมาเนี่ยรเราเห็นว่าก็จบแล้วขนาดนั้นสองบรรทัดไมใช้สองบรรทัดเนี่ยพูดจบแล้วฝรั่งเองก็ทึ่งนะฮะพวกนี้ต่อมาเนี่ยเทกหนังสือที่ฝรั่งก็ชื่นชมกับอคมภี์พระพุทธศาสนามากเนี่ยก็คือพระธรรมบทเป็นบทสั้นๆนะ่ะสองบรรทัดสี่ 4, บรรทัดหกบรรทัดแปบรรทัด สิบสิบสองอย่างมากนะฮะแต่ไม่ค่อยมีสิบสองแต่แถวเนี้ยแต่ถวสามสองกับสีเนี่ ย, 3, 2, ยจะเยอะแต่ว่าบ่งบอกเรื่องหลักการปฏิบัติที่เหมาะที่ควรแก่กรณีนั้นๆไว้แล้วในข้อต่อไปก็เป็นประวังคีระท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลควรกล่าววาจาที่น่ารักอันผู้ฟังยินดีเท่านั้นพราคนดีย่อมไม่ถือคำหยาบของคนเราอื่น เร่าวแต่คำไปเราะเท่านั้นหมายความหมยนี่เป็นการคุยกันเป็นการคุยกันว่าให้พยายามพูดแต่คำที่คนฟังแล้วก็ฟังก็สบายก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นข้อความเหล่านั้นอย่างในกรณีที่เราพูดเรื่องจริงเนี่ยมันง่ายแต่ว่าทีนี้จริงบางทีเนี่ยมันก็บาดใจเหมือนกันนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันมีการสูญเสียในเรื่องจริงเพราว่าต้องดูกาลเทศะก็ดูกาลเทศะนันติกล่าวแล้วก็พูดเรื่องจริงได้ทีนี้ในกรณีที่คนเขามีเข้าจะแตกแยกหรือว่าแตกแยกกันแล้วหรือยังไม่รู้จักกันเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีพูดคนที่ยังไม่รู้จักกันเราก็พูดส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งกันเดียวกันะคนที่ รู้จักกันแล้วแต่มีเขาจะแตกแยกกันเราก็พูดประสานให้เกิดความเป็นันหนึง่งนเดียวกันทีนี้คนที่เขาเป็นอันหนึง่งนเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็พูดกระชับให้เป็นอหนึง่งนเดียวกันมากยิ่งขึ้นเราจนเมื่อคำพูดทั้งหมดเนี่ยมันพูดฟังได้รับประโยชน์จากการพูดเขาก็มีความพอใจมีความยิน ด, ดีแต่ทีนี้ออถ้าหากว่า มีคนก็พูดหยาบมาพูดหยาบมาพูดด่ามาพูดอะไรอะไรมาเราก็ไม่ถือคาหยาบไม่ถือสาความอะไรก็ปล่อยเข้าไปคือบรรยูที่เราทําใจได้ขนาดไหนเรายอมรับได้ขนาดไหนอย่างคล้ายๆกับท่านอาจารย์คูเนี่ยนะถ้าท่านพูดไพ่เลาะหมดมันก็ไม่ใช่อาจารย์คูเนะี่ยบรรยากาศไม่เป็นกันเอง เพราะมื่อท่านพูดอย่างนั้นน่ยมึงกลัวอะไรจะไร่ทาา่านกวาท่านท่านไปเคอเรียกไอเรียกอะไรเอามาเคยเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือเป็นคนโบราณนะอายุแปดสิบกว่าแล้วโอ้ยท่านพูดอุตรุใจนะบางทีกรตมาในเรียกแต่เท้าเลยนะมันทีเรียกมึงไปเลยเอาไปหายไปเลยนะเป็นภาพผู้เฒ่าเราก็ฝังแล้วเราก็ขำ แล้รู้สึกมันอบอุ่นนะท่านท่านท่านพูดบางทีถ้าก็มามึงมาเลยอ่ามึงกูไปเลยไปหายไปเลยแล้วก็ฟังก็ยิ้มยิมก็ขำขำแต่บางทีท่านท่านนึกอะไรขึ้นมานะฮะฝาเท้าเลยนะฮะประเด็ดประคุณได้เท้าไปเลยไปหายไปคือถ้าอาเทพฟังแล้วก็ตลกนะฮะเกิดสนุกแต่มันอบอุ่นนะฮะบรรยากาศมันอบอุบรราา่นรู้สึกมันเป็นกันเองเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง อันนี้ก็อยู่ที่การพยายามทําใจยอมรับความจริงว่าท่านเป็นอย่างนี้แหละท่านพูดอย่างนี้แหละจดปกติก็เป็นอย่างนั้นมันก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างพระวังคีสะเทระเนี่ยพระวังคีสะเทระท่านท่านเขาเรียกว่าสละวะัฒนวัละนี่แปลว่าถอยนะโบราณเนี่ยแปลว่าถอยอตาตมายังมองว่ามันน่าจะแปลว่าวไอหาแต่แบบภาษาของอสุพรรณนะ เกข้าวไม้หาที่สุภานเนี่ยไม่อยากไปนะฮะเขารักกันนะก็พูดถึ่างนั้นนะก็รักกันแล้วก็พูดพูดออกมาจากลําพอนะออกมาจากลําพอน่าฟังอะนะเออมพูดแปลกแล้วเขาก็แสดงเขารักกันมากเพราะงั้นเวลาท่านถามอะไรใครไปไหนมาเจ้าถอยทําอะไรเจ้าถอยขายอะไรเจ้าถอยอะไ ร, ะไรแต่อะไรเนี่ยมีคราวหนึ่งก็ไปเจอคนก็ไปขายผานผานไถนานะฮะ รถุกเปวียนไปขายในกลางตลาดท่านถามมาขายอะไรเจ้าถ่อยอันนี้มันยั่วขึ้นมาว่าหลวงพ่อนี่พูดหยาบจังเลยมันบอกว่าขายขี้หนูทันบอกว่าเออขี้หนูก็ขี้หนูไปทิ้งตหลันเป็นขี้หนูจริงเป็นอายุประวา่าไปโกหกพระอระหันต์ตกใจใหญ่เลยคนสมัยนั้นเขารู้นะอะไรเป็นอะไรเนี่ยตกใจใหญ่เลยรีบกลับมาขอกับมาว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อที่พูดไปนะผม พูดผิดไปนะขอกระมาโทษหลวงพ่อด้วยที่จริงมันเป็นผานนะครับท่านบอกเออผานก็ผานถ้าไปถึงปรากฏว่ า, วาไอคิดหนูมันกลายเป็นผานนั้นก็คือคือเขาเรียกอะไรล่ะอจินไตเนะี่ยอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดกีับเรื่องพระอรหันต์อย่าไปยุ่งมากไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแหละไปวิพากวิจารณ์ขนาดพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นอภิมงคลอยู่ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญนะมันเป็นทางเสื่อมสมบูรค์ แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าท่านไม่มีเจตนามันเป็นวาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นวาสนาเขาก็เคยเกิดเป็นพรามาสารคือใหญ่โตมาติดมาอยู่ในจิตสันดานของท่านทางกระผูกของท่านอย่างนั้นแหละคือพระอาหานตนิทานละวาสนาไม่ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าทัาละได้ วัสนาถ้าเราดูในปัจจุบันคือปกติกของมนุษย์ น, ยนะฮะปกติกต่างๆที่แสดงออกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนั้นบางทีไปเห็นรูปก็เอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเจตนามันไม่มีมันเป็นวาสนาที่ออกมาโดยจิตอันดานบางทีพูดก็ย ก, มย ก, ม ไ, กม ไ, มไม้ยกมืออะไรเนี่ยเราก็นึกว่าเราเอ๊ะทำไมไปยกมือแต่มันยกไปแล้วอ่ะจะม่จะว่ายังไงนั้นก็คือ สิ่งที่เขาจะไม่ไปให้ความสําคัญแก่ข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆของคนอื่นเนี่ยก็กล่าวคําหยาบมาเราก็กล่าวไพเราะไปนะถ้าท่านเจตนาก็เป็นบาปของท่านท่านไม่เจตนาก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราเราไม่อยากเราไม่อยากก็มีมีพระรูปหนึ่งก็ที่จริงก็ตายไปแล้วทั้งคู่นะฮะหลวงหลวง หลวงตาที่ว่าเนี่ยฮะที่เล่าให้ฟังเนี่ยธิวาท่านผู้กาหยาบน่ยก็ไปนั่งกล้กับพระรูปหนึ่งจะยะ่ำมาวางกล้กันท่านหยิบเป็นหยิบจนถึงปิดเอ๊ะนี่ย่ำใครย่ำมึงเนี่ยพระนั้นเป็นพระนุ่งนะพูดว่าเ อ, อ้ยย่ำกูอู้โอยถูกเล่งานจะ แ, แ ย, ย่เจอที่ไหนนี่โดนเก่าว่าพระผู้ใหญ่เข ด, ดุเอามากเลย แล้วแกกันนึกว่าแกโก้นะฮะไปพูดกับผู้เท่าอย่างนี้ น, นึกว่าโก้ไปล่ากันอื่นจริงๆใครไม่รู้หรอกแกไปเล่าก็ไปเล่ากันได้เรื่องเลยนะไปที่ไหนก็ถูกดุถูกว่าถูกต่อว่าถูกห้ามปรามตักเตือนให้สติก็เรียกว่าโดนกันจนจนจ น, จนแก่นะฮะเขาก็อ้างกันมาเพราะเนี้ท่านเป็นอย่างเงี้ยขนาดกับผู้เท่าจำยังไม่เว้นเลยก็พูดออกมาได้ไง คือผู้เท่าทีงท่านก็ตั้งก็ติดปากของท่านนะ่ะก็เรื่องของท่านก็เรื่องของท่านแล้วท่านก็ว่าก็ว่าไปแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะพูดตามเหมาะตามควรแก่ฐานนะแต่คําหยาบยังไงมันก็ไม่ควรนะนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวาสนาบรารมีของท่านเราก็ไม่วิจารณ์ยังไงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าคนเขานี่กล่าวคําชั่วชื่อว่าย่อมฟันตนเองด้วยขวานัันใด ขวานานั้นย่อมเกิดที่ปากของคนผู้เกิดมาแล้วก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันมีขวานติดปากมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยขวานนี่เขาเรียกอุทารีนะไอพึงบางทีแปลว่าพึงบางที่ที่ถากอะที่ถาิถากอาจจะเรียกว่าขวานก็ได้คือสรุปว่าถ้าเราพูดคําหยาบไปเนี่ยไม่เป็นการฟันตุนเองหรือทำลายตัวเอง แล้วขวานเนี่ยขวานก็อยู่ในมือเราทำลายเราก็ะลิ้นพันคอเนี่ยแค่ๆกระลิ้นพันคอแล้วก็ขวานนั้นก็ไม่ได้มาจากไหนมันมาจากปากของเราเองคำพูดฆ่าตนเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่มาที่จะต้องระมัดระวังแต่บางครัง้งบางคราวเราก็ไม่ได้พูดหรอกแต่คนก็หาจะารว่าพูดก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกัน คือโลกนี้มั น, ม, นมันที่จริงไม่ใช่เอาเอเรียบร้อยสวยงามได้ไปทุกกรืนี้บางทีเราไม่เคยพูดนะฮะแต่คนก็หาว่าเราพูดอาแล้วเราก็อธิบายก็หาว่าแก้ตัวก็เลิกพูดเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงไอเ น, นี้ยมันมันบางทีปัญหานั้นคนอื่นก็ยัดเยียดให้เป็นแผลในยืมดาบฆ่าคนนะฮะไปยุยงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเราว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลย อนะุยายก็โกรเราไปเฉยๆเอาเ็าไปกันใหญ่เราไปแก้ตัวไปอธิบายท่านฟังท่านหนาวาเราแก้ตัวก็ต้องเลิกพูดนะก็พูดไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องเรารับผิดชอบเฉพาะการกระทาของเราความรู้สึกต้งคิดถึงคนอื่นนี่ก็พูดยากกันนะเราจะไปรับผิดชอบอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันต่องฟังทั้งหลาย ใต้ร่มพระโพธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่วงงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี